พระธรรมเทศนาแผ่นที่100ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9ทธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าคอร์รัปชันปากแว่งลูกหลานคณะสัทายญาติโยมผู้ที่จะถ่ายรูปห้ามมีแฟต ถ้ามีแฟตพูดไปเสียสมาธิในการพูดเพราะนั้นถ้าใครจะถ่ายก็ให้ไม่ให้มีแฟดและก็พร้อมกันถ้าหาว่าผู้ใดมีโทรศัพท์มีโทรศัพทพ์เกือบทุกคนนั่นแหละแต่ต้องปิดไว้นะในขณะที่ฟังต้องปิดไว้ก่อนแต่ถ้าว่ามันเสียงดัง ถ้าเสียงนังมีความจําเป็นจะต้องพูดกับโทรศัพท์ให้ออกไปพูดข้างนอกเพราะตรงนี้เป็นตรงฟังไม่ใช่ตรงมารับโทรศัพท์คุยกันเพราะนั้นอันนี้ก็ขอบอกให้กับพวกเราคณะสัทยาญาติโยมลูกหลานทุกคนได้รับรู้รับทราบนะอันนี้อันนี้คือพวกเรามาฟังหลวงพ่อก็จะได้ตั้งอกตั้งใจพูดพูดให้พวกเราท่านทั้งหลาย ได้ฟังวันนี้เป็นวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2559ณหอประชุมทองใหญ่สลากางจังหวัดอุดรธานีวันนี้มีกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลอนคำว่าสากลก็คือสากลนโลก ใครๆก็ไม่ชอบเขาบอกขอรับชั่นคำนี้นะแล้วก็จะได้แสดงปาธักถาธรรมหัวข้อสุดจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดินอันนี้ก็คือในช่วงพวกเราจะทำดีเพื่อแผ่นดินรอยพ่อก่อที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปริมินทร์พระผู้มีผลของพวกเราท่านเดี๋ยวนี้ท่านก็ดับเข้าสู่สวรรค์คาลายัอยอยู่ในบ่หล่มโมะโกดแต่รัชการที่สิบพวกเรากระเด้รับรู้รับทราบกันมาแล้วแปลว่าในระหว่างต่อรัชการเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่มาอยู่ในจุดนี้ อดีตที่ผ่านมารัชการที่9พวกเราได้ทําอะไรทําดีอะไรทําเลวอะไรควรเราไม่ใช่จะทําดีอย่างเดียวนะมันต้องมีเหลวด้วยเลวอะไรดีอะไรเลวมากหรือดีมากพวกเรามายืนอยู่จุดนี้แล้วนะที่นี่ต่อไปในรัชการที่10บเนี่ยพวกเราควรจะทําดีเท่านั้น เรื่องเลวๆทั้งหลายกวรทิ้งไว้ซะ เ, เพราะว่าเรานึกคิดย้อนหลังดูแล้วว่าในหลักธรรมคำสอนที่ท่านตรัสไว้ว่าสิ่งที่มันชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราทำลงไปแล้วกรรมชั่วทิ้งที่เราทำชั่วนั่นแหละจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง อันนี้ให้พวกเรานึกย้อนหลังดูถ้าว่าผู้ใดทำกรรมที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีกรรมที่ไม่ดีจะตามสนองเพราะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าถ้าทำสิ่งที่ททถ้าทาสิ่งกรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองไปในทางที่ดีใครๆก็ไม่พึงปรารถนาคำว่าชั่วหรือว่าสิ่งที่มันสิ่งที่มันเสียหายเพราะนั้นให้พวกเรา สรุปแรวก็คือออกไปจากตัวของเราทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนั่นะถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่หลวงพ่อเองได้ออกมาจากป่ารงพงไพ่จากพวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเกื้อเมื่อเดือนพฤศจิกาวันที่8ที่9ก้ากระทั้มป่าไหลหลากท่วม อำเภอเานายูงน้ำาสมที่วัดของหลวงพ่อเองก็เสียหายมากพอสมควรนี่แหละจากนั้นหลวงพ่อกอเดินทางมาจากอำเภอนายูงจุดนั้นแหละจุดที่น้ำท่วมเสียหายนั่นแหละออกมาตั้งแต่ตีตีห้ากว่ากว่านะกำมือมาเพื่อจุดนี้โดยโดยเฉพาะ เพราะว่าท่านผู้ว่าราชการยังหวัดได้ส่วนราชการทุกหน่วยอยากจะให้หลวงพ่อมาพูดมากล่าวมาพบกับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานถือว่าวันนี้เป็นวันขอรับชันครับต่อต้านคอรับชันสากรคำว่าสากรก็คือเพราะว่าสากรนลกเป็นวันที่ ใครๆก็ไม่พึงปราถนาคาว่าขอรับชั้นคำนี้แต่ไม่จริงหลวงพ่อเองก็อยากจะพูดแนวความคิดของพระป่าป่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่ออยู่พระเป็นพระป่าปานะอยู่พระป่าพระดงแต่ก็อยากจะแสดงความคิดความเห็นในผู้ที่ท่านได้รับการศึกษาที่ต่อหน้าหลวงพ่อนี่ที่ท่านได้รับการศึกษาดีด้วยกันทุกคนแต่หลวงพ่อเองก็อยากจะ แนะนำฝ่ายเอาธรรมะหรือว่าทำคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาบอกกล่าวแนะนำของพวกเราทุกๆท่านคำว่าขอรับชั่นคำนี้น่ะไม่เป็นพิษไม่เป็นที่พึงปรารถนาของทุกคนี่ว่าเขาประกาศออกมาแต่มันห้ามยากเหลือเกินเพราะเหตุไยเพราะว่าคำว่าขอรับชั่นคำนี้เหมือนกับยาเสพติด มันอยู่ในจิตใจของมวลมนุษยชาติหรือมวลนมนุษยโลกแต่ว่าตามไม่จริงองค์หลวงตามหาบัวท่านเคยพูดบอกว่าประเทศชาติชาติไทยของเราถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ตต้นไม้ใหญ่แต่ว่าถ้าหากว่าต้นไม้ใหญ่ต่างคนต่างช่วยกันบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยรดน้าหรือว่าตรวตราตัวบุ่งตัวหนอน ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก็สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจากนั้นก็ออกดอกออกผลให้ได้รับดอกผลโดยทั่วหน้ากันแต่ถ้าว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นมันมีตัวร่วงตัวร่วงตนหนอนบ่อนชัยต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก็พร้อมที่จะอับเฉาหรือว่าแกลนหรือว่าไม่เจริญ เติบตัวเติบโ ต, ตขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะตัวบุ่งตัวหนอนออมันเจาะมันใสต้นไม้ใหญ่ทำให้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นไม่เจริญงอกงามนี้ก็เหมือนกันต้นไม้ต้นไม้ใหญ่คือประเทศชาติชาติไทยของเราคือต้นไม้ใหญ่แต่ว่าพระศพในกรหรือว่าพวกเราเประชากรทั้งหลาย ต่างคนก็ต่างบ่นใสประเทศชาติประเทศชาตินั้นกแกลนก็เดินไม่ได้สะดวกเพราะอะไรเพราะต่างคนก็ต่างมีคอรัปชันในประเทศชาติเพราะฉนั้นคือว่าต่อต้านคอรัปชันคํานี้นะ่ะหลวงพ่อเองว่าคอรัปชันเป็นบ่อนทําลายโลกหรือบ่อนทำลายประเทศชาติก็ไม่น่าจะผิด เพราะนั้นขอให้พวกเราสํานึกไว้อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกๆ ล, ล้านๆที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังน่พวกนักเรียนนักศึกษาพวกหัวรุนแรงทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายให้ฝังเอาไว้ถ้าว่าพวกเรามีความซื่อสัตย์สุดจริตมีความจงรักภักดีมีความเอาใจใส่ต่อประเทศชาติให้ช่วยกันดูแลประเทศชาติบ้านเมืองของเราคนหน้าอยู่นะ ล, ลูกหลานนะ แต่ถ้าว่าพวกเราต่างคนต่างบ่อนทำลายต่างบ่นต่างชัยต้นไม้ใหญ่คือต้นประเทศชาติของเราก็อยู่ด้วยความลาบากเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านถือตัวอย่างอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราที่ท่านเป็นพ่อของประเทศชาติพวกเรานึกดูสิโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง 4,000 กว่าโครงการ ท่านผู้เดียวท่านอง์เดียวท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายจริงๆก็เพาะเหตุไรเพราะท่านเป็นพ่อที่ดีเหมือนกับพ่อในครอบครัวของเราถ้าถ้าพ่อที่ดีแล้วพ่อก็ต้องมองหาว่าอันไหนจะเกิดประโยชน์กับครอบครัวของเราพ่อก็ต้องมองหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เอามาเจือจุนเอามาบำรุงครอบครัวของของเรา ท่าว่าพ่อที่เลวแล้วก็มีเต็กกินเหล้าเมายาสุรานารีพาชีกีลาบัดก็ททำให้ประเทศชาติล่มจมจบหายและครอบครัวจบหายได้ไง่ายๆเหมือนกันอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวของเราเป็นพ่อที่ดีหลวงพ่อจึงยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมั ย, ยครองการหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวท่านเห็นพี่น้องประชาชนลูกหลานคนในชาติของท่านมีต่อตัว แกลนเด็กๆผอมๆแต่ฝรั่งเขาทาไมตัวใหญ่ในญี่ปุ่นแต่กอนเขาก็ตัวเตี้ยๆเล็กๆแต่ทาไมต่อมาเนี่ขาทำไม ต, ตัวตัวใหญ่ตัวโตท่านก่อนศึกษาเออเพราะเขาเได้ดื่มนมกินนมวัวทำให้แคลเซียมในร่างกายขขาต่อกระดูกให้เขากระดูกแข็งกระดูกใหญ่กระดูกยาวท่านก่อนเห็นว่า เนี่ยะประเทศไทยของเราก็น่าจะไปอขอนมท่านก็นี่แหละท่านก็ติดต่อไปขอนมวัวจากประเทศเดนมาร์กเออเอามาท่านก็เลี้ยงน่ะนมวัวแดงเนี่ยแล้วก็นมน้องโพจากนั้นก็นมเมืองไทยก็เหลือเฟือเหลือใช้กระทั่งทุกวันนี้ลุกดูสิลูกหลานของพวกเราทีนี้ พวกเราดูเหรอลูกหลานรุ่นใหม่มีแต่ตัวใหญ่ๆตัวสูงๆมีร่างกายสมบูรณ์เพราะอะไรนี่แหละเป็นผลงานของใครเป็นผลงานของพ่ออย่างที่หลวงพ่อได้พูดอันนี้ตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวเมื่อท่านเป็นพ่อขึ้นมาท่านก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังอันไหนจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติาท่านก็เอาสิ่งนั้นเข้ามาสู่ประเทศชาตาิแต่บางครั้งนะ บางคนก็ขาดความรอบรอบครอบเหมือนกันนะพวกเราได้ยินไหมประวัติของปั ก, ปกตบชวานอันนั้นถ้าว่าขาดความรอบครอบท่านก็ไปเอาสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาที่นี <c oughs> ก็เลยมีปัญหาเนี่ยพักตบพากตบวาน <c oughs> พวกเราก็คงได้อ่านหลวงพ่ออึ้งก่กอนที่จะเอาสิ่งไหนเข้ามาสู่ประเทศชาติสู่แผ่นดินไทยนะี่พวกเราต้องคิดให้ดีก่อนนะ ต้องคิดให้รอบคอบก่อนถ้าเอาสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามามันก็เป็นปัญหาตกประเทศชาติต่อไปนานเท่านานทีเดียวถ้านั้นพวกเราจะเอาอะไรเข้ามาสู่ครอบครัวของพวกเราก็เหมือนกันเราเ อ, อย่างหลวงพ่อเป็นเจ้าของของวัดน ะ, เ, ะเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อจะเอาสิ่งไหนเข้ามาสู่วัดนะหลวงพ่อก็ต้องคิดพอคิดเสร็จแล้วยังไงแล้วยังปรึกษาอีก ปรึกษาคนในครอบครัวอีกที่เป็นพระลูกน้องบริวารที่พระผู้ใหญ่อยู่ในหัวแถวนี่อย่างอินเทอร์เน็ตอย่างนี้นะอยู่โทรอย่่งนี่นเขารากสายเขาลากสายผ่านหน้าวัดไปคือเขาจะเอาเข้าโรงเรียนเพราะว่าเขาสอนที่อะไรโรงเรียนที่หัวหินและก็สอนที่นั่นก็ กระจายไปทั่วประเทศไทยทีนี้เขาก็ลากสายมาที่ผ่านหน้าวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามเขาก็บอกว่าหลวงพ่อจะเอาไหมสายใหญ่ยูทบอินเทอร์เน็ตหลวงพ่อหลวงพ่อไม่กล้าตัดสินใจเรียกพระเข้ามาเรียกเข้ามาพระผู้ใหญ่ในวัดที่พงเป็นผอก็ดีเป็นคณะ เป็นรองคณะพอดีก็มีนะติบวชนะหลวงพ่อก็เรียกเข้ามากับปรึกษาเออเอ็นยูทูบอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเอาเข้ามาวัดเนี่ยมันจะเสียหายนะเพราะมันเหมือนกับเอาเสือสิงกะทิ่งแรดเข้ามาเดี๋ยวมันจะกัดคอพระตายหมดนะถ้าหวาว่าเราเออกมาจะทําให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์ถ้าทําให้เกิดโทษมันก็จะเกิดโทษ ถ้าหากว่าทําให้เกิดประโยชน์เวลามีการแสดงธรรมหรือว่าธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์เนี่ย เ, เราก็เอาใส่เข้าไปมันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเราเอาเข้ามาแล้ว เ, เมื่อเรื่องสับเพเหระอยู่ในนั้นเนี่ยมีมากมายเรื่องสกปรกเรื่องจกปกทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในเฟซเนี่ยถ้าเอาเข้ามาเนี่ยพระของเราเข้ามา เพศึกษาธรรมะเสียหายนะพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรมันมีดาบเป็นดาบสองคมนะหลวงพ่อกับปรึกษาพระกันบอกเออเอาไม่เป็นไรเรียกพวกผมจะให้พระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้ดูแลเป็นผู้มีอายุดูแลควบคุมองค์อื่นไม่ให้เกี่ยวข้องอพวกผมรับรองหลวงพ่อเออเอาถ้าพวกท่านรับรองแล้วก็เอาเอาเข้ามาได้ นี่หละก่อนที่จะเอาอะไรเข้ามาในครอบครัวเราก็ต้องปรึกษากันก่อนว่ามันจะเสียหายมากน้อยอย่างไรแค่ไหนนี้ก็เหมือนกันคร อ, อ, อบครัวก็ดีตำบลก็ดีอำเภอก็ดีจังหวัดก็ดีประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ดีสิ่งไหนที่มันจะเสียหายพวกเราก็ต้องนำมาปรึกษาปรารบกันก่อน ว่าถ้าเอาเข้ามาแล้วมันจะเสียหายยังไงได้ผลยังไงผลได้ผลเสียอันไหนมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราลูกทุกคนอยู่ในพื้นที่ให้ช่วยๆกันคิดคำว่าคอร์รัปชันคำนี้นะ่ะมันมีหลายอย่างคอร์รัปชันเชิงวิชาการขายวิชาก็มีคอร์รัปชันเวลาก็มีคอร์รัปชัน การงานก็มีคอรับชั้นการเงินมันมีมากมายคำเรียว่าขอรับชั้นคนํานี้สรุปแล้วก็คือเอาเปรียบชุมชนเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบคนอื่นเขาเออนี่แหละเขาว่าขอรับชั้นคานี้ถ้าว่าเรามองดูตัวเราเราเอาเปรียบเขาไหมถ้าเราเอาเปรียบเขาก็จะได้ว่าเราขอรับชั้นเขาแล้วเพราะฉะนั้นให้พวกเราไม่มีใครที่จะรู้ ยิ่งกว่าตัวของท่านเองถ้าว่าตัวของท่านเองนั่นะเป็นผู้รู้กว่าใครอื่นแล้วก็พอให้ถามตนเองว่าหลวงพ่อเคยพูดนะให้ถามตนเองว่าข้าไปเจ้าได้รับเงินเดือนขนาดนี้ละ่ะในหน้าที่การงานของเรามันต่างกันเพราะพเรามานั่งจุดนี้หน้าที่การงานเงินเดือนต่างกัน แต่ว่าแต่ละเงินแต่ละเงินเดือนน่ะเราได้มาจากใครเราได้มาจากเงินเดือนของพี่น้องประชาชนคือเงินภาษีเงินภาษีอากรของชาติของพี่น้องประชาชนแต่พวกเราทำงานแต่ละวันเราเดินไปเดินมาเราไม่ได้ทำงานแต่เราดำแต่รับเงินเดือนเป็นประจำวันเป็นประจำเดือนออถ้าให้เราถามตนเองโรเจอร์ที่น ถ้าหากว่าเป็นเงินของข้าพเจ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเราทํางานอย่างนี้ไอ้พวกเราถามอย่างนี้นะถ้าเพราะว่าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเราทํางานอย่างนี้ถ้าเราถามอยู่อย่างนี้เสมอนะการงานของเราเราก็จะตั้งใจอ like ื้อฉ mm. ่ายอถ้าเราทํางานอย่างนี้ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเงินเขาแน่แนเออ เพราะนั้นเราจะต้องทำงานให้คุ้มค่าเงินของเขาแต่ในหลักของพุทธศาสนามีไหมพระพุธองค์บอกว่ามีดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายถ้าภิกษุใดก็ตามฉันอาหารของชาวบ้านที่เขามาตักบาทใส่บาทให้แล้วออกมาแล้วก็ฉันมีแต่พูดเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องสัพเพเหระมีแต่พูดเรื่องโลกวัตฏสงสาร แปลว่าไม่ขุมค่าข้าว ข, ของเขาที่เขาทำบุญมาถ้าหากว่าผู้ใดองค์ใดก็ตามเวลาฉันพัตาหารเขาและฉันอาหารเขาแล้วหาหมุมสงบนั่งขัดสมาธิทากายให้ตรงดำรงสติให้มั่นกําหนดดูร่างกายสั้งขารไม่เที้ยงร่างกายทั้งหลายเป็นอันิจ้อย่างทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงแท้นแน่นอน ใจของเราให้ถอนให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจจนหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสถ้าหากว่าพวกท่านเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงเพียงรัดนิ้วมือเดียวเขาว่ารัดนิ้วมือเดียวอันนั้นก็คุ้มค่าเขาแล้วคุ้มค่าอาหารที่เขาใส่ทำบุญมาเพียงทำใจให้เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงเพียงรัดนิ้วมือเดียวก็คุ้มคม่าอาหารเขาแล้วนะ อันนี้ก็คือในหลักของพุทธศาสนาท่านก็มองเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดแต่ว่าพวกเราได้รับเงินเดือนขนาดนี้แล้วนะถ้าเป็นเงินเดือนเรากล้าจ้างไหมถ้าว่าพวกเราถ้าว่าค่าเองเนี่ยเงินเดือนไม่คุ้มค่าเนี่ยเราก็ออกไปทำงานที่อื่นเสีงานที่อื่นเขาต้องมีต่้งเยอะแยะในโลกเนี่ย ถ้าไม่มีทางไปจริงๆก็ไปบวชก็หลวงพ่อแล้วไปบวชเป็นพระก็ยังได้ใช่ไหมล่ะแต่เป็นพระขี้เกียจไม่เอาอีกนะต้องเป็นพระก็ต้องขยันเองนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเป็นพูดเป็นภาพรวมนะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็โอปัจิโกน้อมมหาพวกเราด้วย พวกเราอยู่ในสถานะไหนเราต้องซื่อสัตย์สุดจริตต่อหน้าที่การงานอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันนะหลวงพ่อเป็นพระในพระพุทธศาสนาเนี่หลวงพ่อก็ซื่อสัตย์สุดจริตต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอยังไงเรื่องหลักพระธรรมวินยัยหลวงพ่อปฏิบัติตามตามหลักพระธรรมวินยัยนั้ น, น, นให้อยู่ในหลกให้อยู่ในกราะ ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยพวกเราก็เหมือนกันเป็นข้าราชการทุกหมู่ทุกเหล่าหรือเ ป, เป็นพี่น้องประชาชนคนในชาติไทยก็ขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเพราะว่าพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยลวงพ่อว่านับเป็นว่า น, นับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะเพราะเหตุไรจึงว่านับเป็นว่าพกโชคดีอย่างใน อ, องค์ขลนสูตรท่านบอกว่าปฏิรูประเทสวาโซจักปุเพจักกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิคล้ายๆกับว่าปุก เ, เพจักกตะปุญญาตาเนี่ยปฏิรูประเทสว่าโซจักปฏิรูปประเทศคือประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ ร้อนเกินไปจนไม่ถึงกับทาให้คนตายในความร้อนหรือว่าหนาวจนเกินไปไม่ทำให้คนตายและน้ำไม่ท่วมแผ่นดินไม่ไหวมีหลายอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคน้ำดื่มพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนะัว่าโชคดีเรื่องอาหารการบริโภคไม่มีปัญหา อ, อ, อยู่ชุกสบายจนถึงกับลืมตัวนั่นแหละ เรียกว่าปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศสวาโซจะถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศเขาอย่างเมื่อวานวันก่อนก็อินโดนีเซียแผ่นดินแผ่นดินไหวตึ่งเกือบเจ็ดลิลตรเนะี่ยเสียหายไปมากแล้วกัต่างประเทศเราก็ได้ยินบ่อยๆนี่ประเทศไทยของเราเนี่ยังไม่เคยมีนี่เราปฏิรูปประเทศสวาโซจะปรปกเพอจากรตาปุญญาตา พวกเราคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตชาตินะเพราะหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญนั่นมานะในอดีตชาติพวกเราได้ทําบุญในเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนี่แหละพวกเราไปทําบุญที่ใดเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเออสาธุเนอข้าพเจ้าเวียนไหยตายเกิดในวัฏสงสารก็ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในประเทศที่สมบูรณ์อย่าได้มีเกิดศึกสงครามอย่าให้ไดพบคนที่ไม่ดีขอให้พบคนดี เป็นปราดบัณดิตให้อยู่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็คือเราปราดถนาไว้ในอดีตนะพวกเราจะมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยพบมาได้เกิดเกิดมาก็ได้พบพะบาทสมเดชพระเจ้าจุงหัวผู้ทรงธรรมจากนั้นก็ได้พบพบพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงท่านก็ได้นาสั่งสอนอันนี้ดีนะอันนี้ชั่วนะอันนี้สิ่งควรไม่ควรเราก็ได้ และผู้รับสารอันนี้ระหวัตปุกเพจยกรตะปุญญาตาพวกเราได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยท่าว่าพวกเราพาไปเกิดบาปพาไปเกิดนะพวกเราอาจจะเกิดนู่นแหะแถวประเทศไหนหัวโตๆ ต, ต, ต, ตัวดำๆท้องใหญ่ๆขารีบๆนะอันนี้แปลว่าบาปพาไปเกิดนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ทุก์ตั้งแต่วันเกิดเลยนะอันนี้แปลว่าบาปอัปคุศลพาไปเกิดแต่ น, นี้พวกเรานักขอบุญ บุญพามาเกิดเนี่ยว่าปฏิรูประเทสวาโซจากเนี่ยปุเพจักตะบุญญตาให้พวกเรามาถึงเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วลืมตัวน่ตั้งตนไว้ไม่ชอบน่ปุเพปุเพจักตะปุญญตาอัตตะสัมมาปณิทินะก็ว่าอัตตะสัมมาปณิทิตั้งตนไว้ชอบคือตั้งตนไว้ชอบก็คือเกิดมาแล้วก็เป็นคนดีเป็นสัมมาทิฐิปฏิบัติตาม อรอยพ่ออย่างที่พระบาทเจ้าหล่อพร เ, เจ้าอยู่หัวพาดำเดนินพวกเราก็ได้ยินได้นั่งดูหน้าจอโทรทัศน์สื่อต่างๆนี่แหละให้ศึกษาตามแนวแถวของพ่อพาเดินพวกเราก็จะได้รับความสุขแต่ถ้าว่าพวกเราเดินออกนอกลรูนอกทางนไปขายยาบ้องยาบ้าคันคันชายาฝิ่นเฮโรอีนอวายวมุกดื่มเหล้า กิเลสเมายาสุรานารีพาชีกิฬาบัตรสิ่งที่มันชั่วชา้าเสียหายขนเข้ามาหาตัวเองทั้งหมดไปว่าตั้งตนไว้ไม่ชอบเมื่อตั้งตนไว้ไม่ชอบแล้วเมื่อออกจากชาตินี้ไปแล้วนะอนาคตพวกเราจะต้องไปเกิดแถวนะั้นนะหัวโตโ ต, โตท้องใหญ่ๆขารนะียบๆพวกเราจะได้ไปอย่า ง, งานั้นเพราะอะไรเพราะกรรมชั่วพาพาไปเพราะฉะนั้น ในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกอากตะตังทุกตะตังเสยโยปัจชาตปติลุกตตังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั้นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอไอ้นนใ้พวกเราฟังเอาไว้นะแต่หลวงพ่อไปพูดณสถานที่ใด หลวงพ่อจะอ้างเป็นชาดกหนักชาดกนิทานมาในพระไตรปิฎกนะหลวงพ่อข่าวนี้หลวงพ่อก็จะจะอ้างเองเหมือนกันหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาหลวงพ่อก็นึกคับคําเหมือนกันนะคนโบราณเขาก็คนสมัยก่อนดึกดําบันณเขาก็ทําท่านก็ยกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพ ม, มาทัดคลองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนะ อันนี้คือโดยมากท่านจะยกเป็นาชาชารกท่านจะยกอย่างนั้นท่านบอกว่ามิตรมีท่านโปรหิตตายจานท่านหนึ่งนะเป็นอยู่ในสำนักพระราชานะพระเจ้าพรมรทัศน์แตพ่พระเจ้าโปรหิตตายจานคนนี้นะเป็นผู้เขายกจ้องให้ว่าเป็นผู้ชำนาญ ในการตรวจฉัดสัตราอาวุธคือสัตราอาวุธในสมัยนั้นก็คือเป็นดาบพวกดาบพวกดาบพวกห อ, อกแหลนเหลาเนี่ยนะทีนี้โปรหิตอาจาย์ท่านนี้น่ะ เ, เป็นผู้ชำนาญเวลาท่านจะตรวจห อ, อกดาบแหลนเหลาขึ้นมาเนี่ยท่านจะยกชักดาบออกมาแล้วท่านจะมองดอูพอมองดูเสร็จแล้ว ท่านก็เอาเอานิ้วมือเคาะเคาะคาดาบว่าเสียงมันดังเป็นยังไงจากนั้นท่านก็มาทำท่าดมดมขมมีดดังนั้นดมขมมีดคมดาบเพื่อจะได้รู้ว่าดาบเล่มนี้นะเนี่ยเหล็กดีไหมเขาทำถูกเวลาเวลาไหมดวงชะตาราศีได้ไหมเนี่ยแต่นี้ เขาก็เป็นผู้ชำนาญเป็นผู้ชำนาญตรวจตราอาวุธเอ่อที่จะรับมาไว้ในคลังหลวงเร่ยว่าถ้าถ้าเป็นอย่างเมืองไทยของเราสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าดาบดาบน้ำผีใช่ไหมล่ะดาบน้ำผี้นะี่พอใครตีเสร็จเรียบร้อยเนะ่เขาก็จะเสนอเข้ามาให้ให้พระราชาใช่ไหมพระราชาก็เอาให้ปโปรหิตตายจานท่านนี้ละ่ะเป็นผู้ตรวจตราอาวุธดูซิ ว่าเป็นมงคลไหม เ, เมื่อเอาเข้าสู่ศึกสงครามแล้วจะได้ชัยชนะไหมดาบมันแข็งพอไหมแล้ววิธีจับมันเหมาะไหมกับมือลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ใ น, นถ้าปโรหิตตายจานตอนนี้ขอรับชั้นบัดนี้สมัยก่อ น, นมีคอรับชันบ้นเหมือนกันนะการนั่งสัาธิโจมนะท่านเป็นคอรับชัน้นใช่ไหมพอใครเอาเงินยัดเข้าไป เออจะเป็นดาบยังไงก็ตามท่านกวันหูโอ้ดีมากเออพอได้พอได้เงินเขาแล้วดีใช่ไหมเออพอได้คอรับชันนั่นแหละก็ดีมากเออทีนี้ก็เขาก็รู้ว่าบโรหิตตายานคนนี้นี่คอรับชันเออตรวจตราอาวุธนี่บ้านนี้มีคนหัวใสบ้าเนเขาตำพิกบ่านตำพิกละเอียด เขาก็ใส่ในในฝักดาบลาไปอพอในใส่ฝักดาบใส่แล้กเขาก็ให้ปลโรหิตตัวนี้แหละตรวจมัเนะตรวจตรวจดาบแต่ในปลโรหิตตัวนี้ก็ชักดาบขึ้นมาใช่ไหมพอชักดาบขึ้นมาก็มันมันโรมคมมันใช่ไหมพอมาโอมคมมันก็จะ้บ <c oughs> ใช่ไหพอจะฟิ้ ม, มันดาบมันคมอย่าไรใช่ไหมมาลยปากปากปาก ปากโปรลหิตตาจาน์ปากแหว่งเป็นสองข้างสมัยก่อนไม่มีไม่มีหมอเย็บใช่ไหมล่ะจากนั้นโปรลหิตตาจานเขเลยปากแหว่งตลอดเลยเงนั้นเเพราะเอะไรเพราะว่าโปรโลหิตคอรับชั่เนี่ยเขาเอาพริกตำใสเอาป่นพริกป่นใสในฝักดาบแล้วก็เสียบเข้าไปเนอเท่นก็นชักขึ้นมาตัวเองก็ไม่รู้ใช่ไหมพอชกมา พริกมันเข้าดังใช่ไหมเข้าจมูกใช่ไหมล่ะพริกมันผงละเอียดเนี่ยพอมันเข้าจมูกกระจามใช่ไหมเพราะจามพริกฉะนั้นดาวก็เลยพ า, พาจมูกไอ้พาเนี่ยพาปากทั้งสองข้างเนี่ยไล่ปากแหว่งเลยงั้นเลยเนี่นี่แหละตอนให้นเขาก็เลยเป็นนิทานเป็นชาดกมานี่นี่แหละก็ว่าคอร์ลัชชันคํานี้น่ะใครๆก็ไม่พึงปราถนาขนาดคนโบราณอยู่ในพระไตรปิฎก ของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าอย่างยกเป็นชาดกมาวัาเ น, โโนเนี่ยสมัยก่อนโโรหิตคนนี้ไปขอรับชั่นพอได้ินถ้าพอได้เงินเข้ามาก็เนี่ยดีดาบเล่มนี้ดี เ, เป็นมงคลควรจะเอาเข้าเป็นของหลวง เ, เข้าเก็บไว้เป็น เ, เป็นของหลวงถ้าว่าคนใดถึงจะดาบดีขนาดไหน เครื่องไม้เครื่องมือดีขนาดไหนแต่เขาไม่มีเขาไม่ให้เงินเขาไม่ให้ขอรับชั้นแปลว่าดาบชุดนั้นเป็นอัปมงคลใช่ไม่ได้ไม่เอาเข้ามาแปลว่าเนี่ยเขาเป็นที่รู้กันจากนั้นเขาก็เนี่ยเขาก็เลยแก้แก้เผ็ดแก้เผ็ดเมื่อโปโลหิตตาจา์เพราะนั้นเรื่องคอรับชั้นไม่ว่าว่ายุคใดสมัยใดเขาไม่เป็นที่พอใจของ คนทั่วไปคนที่สุดจริญแต่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อนี่นะหลวงพ่อไม่ได้พูดให้ให้ผูใ้ใดใครผู้หนึ่งนะตำรี่อย่างที่เขาเขียนไว้ข้างบนนี่แหละ ท, ท่านเขาเขียนเอาไว้นี่ว่าวันต่อต้านคอรับชั้นสากลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านลูกหลานทุกคนแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็อยากจะบอก อยากจะกล่าวเ อ, อ่อถ้ามาจะพูดแต่เรื่องออข้อรับชันอย่างเดียวก็ควรจะพูดเรื่องพระพุทธศาสนาด้วยในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนานะครับนะักทายาทโยก พ, พวกเราให้ศึกษาถ้าศึกษาแล้วจะรู้ได้เพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่คําสอนห่วยหวยไม่ใช่คําสอนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนะ ถ้าพวกเราศึกษาเข้าไปแล้วเราจะรู้ได้ว่าพุทธศาสนาเนี่เป็นาศาสนาที่หรือพบหรือชาติจะแม่มาจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัตฏสงสารเป็นอนันตกระถ้าพวกเราศึกษาแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองเอาเถอะถึงพวกเราจะไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดแต่ศึกษาใ น, า д, าในพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างพระพุทธเจ้าวสอนให้ทานใหพวกเธอท่านทั้งหลาย จัตวาญาติโยมทั้งหลายนะต้องมีเป็นต้องเป็นผู้เสียสละนะต้องเป็นผู้ให้ทานเนยะเพียงแค่นี้พวกเราโอ้ให้ทานเสียของแต่ตามไม่จริงถ้าพวกเราขี้แตนีทีเนียวไม่มีการให้ทานพวกเราคิดดูซิพ่อแมอ่ได้ลูกมาแล้วก็ไม่ยอมเสียสละให้ลูกแล้วก็หมูหมากาไก่จะอยู่กับเราได้อย่างไรมันต้องมีการเสียสลนี่อันนี้แหละคือทานนะคือการเสียสล แบ่งปันกันถ้าว่าพวกเราแบ่งกันปันกันเฉลียบเจือจานกันอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความร่มเย็นผาสุขเพราะมีน้ําใจต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันผู้มีวิ ช, ชาก็สอนวิ ช, ชาให้คนอื่นเขาผู้มีอันจะกินก็แบ่งให้คนทุกคนจนที่เขาร่อยกว่าเนี่นแหละถ้าว่าพวกเรามีน้ําใจต่อกันโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขนะอันนี้คือฐานะศีล คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคือศีลห้าเนี่ยค่าไปเจ้าเราจะไม่ฆ่าคนอื่นเขา เ, เราจะไม่ขโมยคนอื่นเขาเราจะเคารพสิทธิในสามีภรรยาคนอื่นเขาเราก็ไม่โกหกเขาเราจะไม่ดื่มสุราเนี่ยอันนี้ก็คือศีลห้าของพระพุทธเจ้าถ้าเราเปรียบเทียบดูให้ชัดเจนทีนึงเมื่อเราไปฆ่าเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไปฆ่าเขา ในเมื่อเขามาฆ่าเราละ่ะเจนี่มาฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเราญาติที่รักของเราเรามีความรู้สึกยังไงเสียใจไหมเสียใจในเมื่อเราไปฆ่าเขาล่ะเขาเสียใจไหมเขาก็ต้องเสียใจเหมือนกับเรานั่นแหะพราะพระพจเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากานันไม่เป็นผลดีเมื่อเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจเราก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าฆ่ากันอย่าคิดฆ่ากัน นี่คือสินข้อที่หนึ่งอาทินนาฐานก็เหมือนกันถ้าเราไปขโมยของเขา เ, เขามีความรู้สึกยังไงเขามาขโมยของเราเรามีความรู้สึกยังไงเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกค่าไถ่เขามาเอาพี่น้องของเราไปเรียกค่าไถ่พ่อแม่ของเราไปเรียกค่าไถ่เราเสียใจเราก็เสียใจเขาก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าไปขโมยกัน ข้อที่สามกาเมสุพิษสายจาราวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของไขของเขาเขาก็รักสามีของเขาภรรยาของเขาลูกหลานของเขาของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะต่างคนก็ต่างมีให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือสิทข้อที่สข้อที่สมุสาวาาเวรมณี อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าไปต้มตุนหลอกลวงโกหกเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขาต้มตุนหลอกลวงโกหกเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกัน เ, เพราะนั้นให้เขารบสิทธิ์ซึ่งกันและกันไปโกหกเขาเต้มตุนหลอกลวงเขาในลายสินข้อที่สมุสาว า, าเวรมณีถ้าเราไปก้มต้มตุนหลอกลวงเขาก็เสียใจ เราไปเขียนเช็คแดงให้เขาเนี่ยไปเขียนเช็คให้เขาไม่มีเงินเขาเอาไปขึ้นเงินไม่มีเงินเขาเสียใจไหมถ้าเขามาทำให้กับเราละ่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราไปย้อมตะกัวเอาไปว่าเป็นทองคำให้เขาถ้าเขามาทำให้กับเราละ่ะมีมากมายทุกวันนี้เรื่องโกหกต้มตุ๋นหลอกลวง เพราะนั้นเมื่อเราไปทาให้กับเขาเขาก็เสียใจยถ้าเมื่อมาทำมาทาให้กับเราเราก็เสียใจยเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลนะคณะนััตย์ทยายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเขาเราเขาเราในเมื่อเราไม่ชอบใจในสิ่งที่เราไปทําให้กับเขา เ, เราก็ไม่ควรจะทําให้กับเขา เ, เขาก็ไม่ควรทําให้กับเราต่างคนต่างเคารพสิทธิซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าว่ า, เ, าเราเห็นแก่ตัวไปทำให้กับคนอื่นเขาเนะนะ่เดือดร้อนนะลรกหลาดน ะ, น, ะนี่แหละศีลศีลธรรมของพระพุทธเจา้าไม่ได้อยู่ไกลแต่ศีลข้อที่5้าเนี่ยศีลข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชาปมา ก, การดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราคำว่าสุราคำนี้ดื่มรม่เสพเข้าไปสิ่งไหนก็ตามดื่มหรือเสพเข้าไป กินเข้าไปแล้วขาดสติอันนั้นแปลว่าสงเคราะห์เข้าในสุราเมื่อดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติคันชายาฟินเฮโรอีนโคเคนมากมายถึงจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามแต่ถ้าดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเลยเพราะมันขาดสติจะฆ่าใครก็ได้จะข่ามยใครก็ได้ จะลาบราล้วงในสามีภรรยาของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะอะไรเพราะขาดสตินี่น่ะขอสินสินข้อที่ห้นี่เป็นสินครอบหรือว่าสินสินหลังคาหลังคาอาคารหลังนี้แหละถ้าหลังอาคารหลังนี้ไม่มีหลังคาฝนตกแดดออกพวกเราก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีหลังคานี้ก็เหมือนกันคนจะใหญ่โตโหด เนี่ยมั่งมีสีสุกร่ำรวยขนาดไหนก็เถอะถ้าขาดจติตใจอย่างเดียวเท่านั้นนะเป็นบ้าใจอย่างเดียวเนทะ่านั้นหมดคุณค่านะพวกเราจิตใจแย่โฉมคิดดูให้ดีนะคนที่ดื่มสุรามากๆเนี่ยขาดจิตถึงจะขาดจติตเล็กน้อยก็เถอะไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นไม่ควรจะดื่มฉเฉลยอันนั้นดีที่สุดนะอันนี้เป็นความคิดความเห็นของพุทธศาสนาเป็นความเห็นของหลวงพ่อส่วนหนึ่งคนะ่ะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะ อันนี้ก็คือเรื่องศีลแต่เรื่องธรรมส่วนลึกๆน่ยในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่าตายและศูนย์หรือตายและเกิดแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ตายและเกิดนะทศายญาติโยมให้พวกเราศึกษาตัวนี้ไม่ใช่ว่าศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาเป็นคําสอนที่ห่วยๆอย่างที่ว่านะถ้าศึกษาดูกให้ดีแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ย เป็นศา ส, สนาปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะต น, นะเพรา ะ, ะนั้นหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงท่านรู้ได้อย่างไงว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญท่านพิสูจน์ย่างไงพระศาสนาท่านว่าให้นั่งสมาธิเื่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วน่ใจของเราจะรวมบริกรรมพุทโธพุทธโทพอพุทโธเข้าไปใจของเราจะรวมสงบนิ่ง พอจิตใจนิ่งรวมสงบลงไปแล้วนะ่ะร่างกายกับใจเราจะรู้ได้โดยตนเองร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถพวกเราดูให้คิดให้ดูสิว่ารถไม่ใช่คนคนไม่ใช่ชนไม่ใช่นรถนี้ก็เหมือนกันร่างกายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ท่านให้ความสำคัญเรื่องของนามธรรมคือใจนะมากกว่าเรื่องร่างกายท่านยังว่ามโนปุกผังคมาธรรมะมโนเศรษถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ เ, เพราะนั้นให้พวกเราศึกษานะนี่แหละศึกษาเรื่องกายเรื่องใจในหลังพุทธศาสนาท่านในความเรื่องความสำคัญเรื่องของใจ แต่โลกทั้งโลกเนี่ยเขาให้ความเรื่องสําคัญเรื่องของกายเรื่องของรถนี่มากกว่าโซเฟอร์รถนะเนี่ยทไมถึงพูดอย่างนั้นพอเวลารถชนคนตายโชเฟอร์ตายเนี่ยเขาให้หกหมื่นใช่ไหมถ้ารถเนี่ยเขาให้เป็นชั้นแสนด้านล้านนะแสดงว่าเขาให้ความสำคัญรถมากกว่าโซเฟอร์ใช่ไหมเนี่แต่ในดักในทางของพุทธศาสนาเนี่ย ท่านให้ความสำคัญเรื่องโซเฟอร์มากกว่ารถนะแต่ว่ามนโนปุพังเขมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนบายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่ให้พวกเราคณะัทยา ญ, ญาโจมพุทธศาสนิกชนนะให้ศึกษา พ, พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเนี่ยท่านไปอยู่ปานโรงพงไัยท่านภาวนาดูจุดนีนะ้ดูกายกับใจใจกับกายกายกับใจ เพราะว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถ้ายกถึงบ่อหลมครูของพวกเราคือพระพุทธเจ้านะที่ท่านได้ตัดรู้ในคืนวันเดือน6กเพล น, นท่านก็นั่งสมาธินะพอนั่งสมาธินะจิตใจของพงเข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศนะนเกิดฌานความรู้พิเศษขึ้นมาว่าปุกเพลนิวา่าสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้ น, ะนี่แหละแปลว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะ ก็วาลาระลึกชาติโถนหลังหลังได้ถ้าคนเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะระลึกถึงชาติโถนหลังได้ยังไงใช่ไหมละ่ะ เ, เมื่อเรามาเกิดหลวงพ่ออินมานั่งอยู่ที่นี่เกิดมานั่งอยู่ที่นี่จะระลึกถึงเมื่อวานได้ยังไงวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนได้ยังไงอันนี้มันมีอดีตนะมันมีอดีตมันต้องศึกษาในจุดนี้นะวันนี้ก็หลวงพ่อเองได้พูดหลายเรื่องหลายรสหลายชาติให้กับพวกเราท่านทั้งหลาย เราจะจะจนเน้นหนักจุดที่ว่าพวกเรา เ, าเป็นขน้าราชการหรือว่าเป็นพี่น้องประชาชนอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะพวกเราได้รับเงินเดือนเงินเดือนมาจากไหนเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนาที่ให้เงินเดือนของพวกเรามาแต่พวกเราให้ดูตนเองเมื่อได้รับเงินเดือนมาแล้วนะค่าไปเจ้าทำงานอย่างนี้นะอย่างที่ทุกพ่อได้พูดเบื้องตนนะ้น ข้าพเจ้าได้ทํางานอย่างนี้วันนี้มันคุ้มข้างเงินเขาไหมถ้าว่าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมหถามอย่างนั้นเสมอๆนะถ้าว่าพวกเราถามอย่างนี้นะพวกเราจะทํางานเต็มที่จะไม่ลืมตัวนะการกล่าวสมุดธนิจกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสงวรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาขนโลกอนุภาพบนบา ร, รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์บนบา ร, รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจยู่หัวที่ท่านบำเพ็ญมาขอขอให้มาคุ้มครองคณะทายาติโยมลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเทิน